กอนหน้านี้ผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ก็ไม่ได้ลบลู่จนได้ม่เจอเข้ากับตัวเองอย่างจังจากนั้นความคิดผมก็เปลี่ยนไปตลอดการผมเป็นคนต่างจังหวัดแต่ได้ไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพช่วงวันหยุดก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างทำบุญบ้างหรือบางครั้งก็ไปทะเลจนได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่มันทำให้ผม ต้องจดจำไปจนวันตายเมื่อ6ปีก่อนผมได้รู้จักกับรุ่นน้องคนหนึ่งชอวบาสแล้วก็เริ่มสนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันตอนนั้นเป็นช่วงขึ้นปีใหม่พอดีน้องเขาก็ชวนผมกับเพื่อนเขาอีกสองคนไปบ้านเขาที่ต่างจังหวัดซึ่งฐานะทางบ้านเขาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเรียกได้ว่ารวยได้เลยเราเดินทางจากกรุงเทพไปถึงตราดใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เมื่อไปถึงที่บ้านพ่อและแม่ของบารสกำลังจัดงานขึ้นปีใหม่พอดีซึ่งพอพวกเราลงรถก็กินกันก่อนเลยเพราะว่าหิวมากอาหารเป็นโต๊ะจีนมีอาหารเยอะมากๆช่วงนั้นพวกเราสนุกและฟินกันมากเลยทีเดียวหลังจบงานเลี้ยงพวกเราก็เตรียมที่จะอาบน้ำเพื่อเข้านอนกันเพราะเหนื่อยจากการนั่งรถเดินทางมาจากกรุงเทพบ้านที่เราได้ไปพักอยู่นั้นเป็นอีกหลังหนึ่ง แยกกับพ่อแม่ของบาร์ซึ่งบาร์ก็ไปนอนกับเราที่นั่นด้วยบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชัน้นซึ่งก็ไม่ได้มีใครเข้ามาพักอาศัยนานแล้วเมื่อมาถึงที่บ้านพวกเราต่างก็อาบน้าแล้วก็เข้านอนกันตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาตีหนึ่งซึ่งพวกเราแยกกันนอนอยู่สองห้องห้องละสองคนผมนั้นนอนกับบาร์เปิดแอร์เย็นสบายแต่ก็นอนไม่หลับ เลยชวนกันไปหาเพื่อนห้องค้างๆซึ่งพวกเขาก็นอนไม่หลับเหมือนกันก็มานั่งคุยวางแผนกันว่าลุกนี้จะไปที่ไหนกันดีมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างหาของอร่อยกินกันบาร์ทซึ่งเป็นเจ้าทิมก็เลยเสนอให้พวกเรานั้นไปเที่ยวที่เกาะช้างไปนอนกันสักสองสามคืนพวกเรานั่งคุยกันจนดึกตอนนั้นน่าจะประมาณตีสามกว่าได้แล้ว ก็แยกย้ายกันเข้านอนเราตื่นกันสายประมาณ1ิบโมงกว่าเนื่องจากนอนดึกก็รีบไปอาบน้ำแล้วออกไปหาอะไรกินกันหลังจากอิ่มท้องกันแล้วก็ไปหาพ่อแม่ของบาสเพื่อบอกและขออนุญาตว่าจะพากันไปเที่ยวเกาะช้างซึ่งแม่ของบาสก็อนุญาตและเตือนว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่คนเยอะรถเยอะก็ระมัดระวังตัวกันด้วยจากนั้น แม่เขาก็ควักเงินมาให้เจ0ดพันบาทเพื่อไปเช่าห้องพักและกินเที่ยวพวกเราพยายามปฏิเสธเพราะก็พอมีเงินกันอยู่บ้างแต่แม่บาทก็ขยันขยอให้รับไปเพราะว่าค่าเช่าห้องมันแพงมากแถมยังบอกกิกด้วยว่าถ้าไม่พอโทรมาบอกแม่จะโอนเงินไปให้อีกพวกเรานิดทึ่งกันเลยทีเดียวจากนั้นแม่บารก็ไปส่งที่ท่าเรือเฟอร์รี่ แล้วพวกเราก็ขึ้นเรือประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆถึงเกาะประมาณสี่โมงได้พอลงเรือพวกเราก็เริ่มเดินหาห้องกันเดินหากันหลายที่ก็เต็มหมดทุกที่พวกเราหากันจนใกล ค, คาจนมาถึงที่หนึ่งซึ่งคนที่ขับรถสองแถวที่มาส่งบอกว่าที่นี่ไม่เต็มหรอกเพราะถ้าเต็มเขาก็จะมีเต็นท์ให้เช่าด้วยพวกเราเห็นว่ามืดแล้วก็เลยตัดสินใจจะพักที่นี่ ซึ่งก็มีเต็นท์ให้เช่าจริงๆด้วยตอนนั้นเวลาประมาณหกโมงวิวทิวทัศน์แถวนั้นสวยมากพระอาทิตย์กำลังตกดินแต่แปลกที่มีแต่พวกเราสี่คนเท่านั้นที่เล่นน้ำกันอยู่ที่นี่ทั้งๆที่คนอื่นที่พักอยู่ที่เดียวกันไปเล่นน้ำที่อื่นกันหมดหลังจากเล่นน้ำกันเสร็จเกือบหนึ่งทุ่มพวกเราก็พากันอาบน้าแล้วหาอะไรกินกันคืนนี้ พวกเราดื่มเบียร์กันด้วยจนถึงเวลาสี่ทุ่มกว่ า, วาเริ่มเมาได้ที่ก็แยกย้ายกันไปนอนส่วนตัวผมนั้นยังไม่นอนลุกออกจากเต็นแล้วเดินไปฉี่ที่ห้องน้ำซึ่งห่างจากเต็นไม่มากเท่าไหร่นักระหว่างนั้นผมก็คิดไปด้วยว่าทำไมจุด อ, อื่นเขาถึงมีแสงสีดูคลึกคลืนแต่ทำไมที่พวกเราอยู่นี้ไม่มีใครออกมานั่งกินหรือนั่งเล่นเลย พอไปถึงห้องน้ำก็ดูสกรปรกไม่สะอาดเท่าที่ควรไฟบางห้องก็ติดติดดับดั บ, ดบทำให้บรรยากาศของที่นี่ดูหลอนมากชี่เสร็จผมก็กลับมานอนซึ่งคนอื่นๆก็หลับกันหมดแล้วเช้า ว, วันต่อมาหลังจะกินอาหารเช้ากันเสร็จพวกเราก็นั่งรออยู่ที่หน้ารีสอร์ทพอถึงเวลา8โมงรถก็มารับเพื่อจะไปลงเรือเที่ยวเกาะต่างๆนั่งรถไปสักพักใหญ่ ก็มาถึงท่าเรือพวกเราก็ขึ้นเรือกันเมื่อคนขึ้นมาบนเรือครบกันหมดแล้วเรือก็ออกเราก็เดินเล่นกันบนเรือดูนั่นนี่ตามประษาสักพักก็มาถึงเกาะแรกใส่ชูชีพลงไปดูประกาลังเวลาผ่านไปไวมากแปบ๊บเดียวก็ผ่านไปสี่เกาะแล้วระหว่างที่ขึ้นเรือเพื่อจะเดินทางไปเกาะที่ห้าต่อเราก็ได้เจอพี่สองคน เป็นผู้ชายและผู้หญิงมีสัยดีน่ารักมากก็คุยกับพี่เขาไปสักพักหนึ่งผมก็เล่าถึงที่พักของผมให้ฟังว่าที่พักนั้นบรรยากาศดีมากแต่เสียดายว่าไม่มีห้องว่างและไม่เห็นมีคนเล่นน้ํากันเลยพี่เขาก็เลยแนะนําว่าไปพักที่เดียวกับที่เขาพักอยู่สิมีหาดทรายสีขาวสวยมากตอนนี้ห้องก็เริ่มว่างแล้ว พอคนที่มาก่อนแน่เริ่มทยอยกลับพวกเราก็เลยปรึกษากันว่าจะย้ายกันเลยไหมซึ่งผมตอบตกลงในทันทีหลังจากเที่ยวกันเสร็จแล้วทั้งห้าเกาะพวกเราก็กลับมายัางที่พักและเตรียมที่จะย้ายที่พักตามที่พี่สองคนนั้นบอกซึ่งก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วแต่ก็ยังทันอาบน้ำล้างตัวและเก็บของกันเลยจูๆ่ๆในกลุ่มเพื่อนของพวกเรา ซึ่งเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวก็มีอาการแปลกๆตาลอยพรานไปมาในเต็นท์แล้วมีเสียงสะอื้นเหมือนร้องไห้อยู่ตลอดเวลาพวกเราที่เหลือยืนอึง้งแล้วมองหน้ากันพูดอะไรไม่ออกสักพักอาการนั้นก็หายไปผมรีบเดินออกมาก่อนเพื่อที่จะไปบบกรถสองแถวซึ่งการจะไปหาดทรายขาวนั้นพวกเราต้องนั่งรถย้อนกลับไปทางท่าเรือเฟอร์รี่ ที่นำเรามายังเกาะนี้ครั้งแรกไม่นานรถก็มาถึงผมขึ้นรถเข้าไปนั่งคนแรกเพื่อนบัทอีกคนนั่งด้วยกันกับบทัทส่วนเพื่อนผู้หญิงกำลังเดินมาแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเขาทำท่าเหมือนกำลังจูงมือใครมาด้วยทั้งๆที่ตรงนั้นไม่มีใครเลยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าให้ลุงแกไปด้วยนะลุงเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วแกอยากไปด้วย บารสก็ถามว่าไหนไม่เห็นมีใครเลยนี่ไงทุกคนต่างมองหน้ากันแล้วไม่พูดอะไรตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแล้วรู้สึกกลัวสุดๆแล้วเธอก็ขึ้นมาบนรถมานั่งข้างๆผมอีกด้วยแถมยังเว้นช่องว่างไว้แล้วบอกว่าลุงนั่งตรงนี้นะเฮียผมกระโดดไปกอดบารสเลยตอนนั้นผมกลัวามากๆ บาสเลยกระซิบบอกกับผมว่าพี่ขอกล้องถ่ายรูปหน่อยถ่ายเปิดแฟลกด้วยแล้วจะเห็นผมหันหน้าควับไปมองบารสอย่างเร็วเอาจังเหรอก็ได้ลองดูแล้วกันพอบารสเอากล้องผมไปถ่ายแล้วสิ่งที่ได้นั้นก็คือเงาดำๆครึ่งตัวลักษณะเหมือนผู้ชายแก่ๆซึ่งตรงกับที่เพื่อนผู้หญิงของบารสบอกเลยตอนนี้ ทุกคนเริ่มกลัวแล้วจากที่คิดว่าพวกเราจะย้ายไปพักที่หาดทรายขาวกันต่อก็ต้องเปลี่ยนใจกับบ้านกันดีกว่าบารโทรหาแม่ซึ่งแม่ของบาร์ตพอได้ยินเรื่องนี้ก็เป็นห่วงมากบอกให้ลูกและเพื่อนๆกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้เลยจากเดิมที่เราไปหาดทรายขาวในราคา200บาทต้องเปลี่ยนจุดหมายไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ซึ่งคนขับรถสองแถวเรียกราคาเหมารถ700บาท แต่เราก็ต้องยอมจ่ายฮอนนีเป็นโอกาสเดียวที่จะได้กลับเป็นเรือเที่ยวสุดท้ายด้วยอีกแค่20นาทีก็จะหนึ่งทุ่มแล้วก่อนที่รถจะออกบังเอิญมีแขกที่พักอยู่ที่นั่นขึ้นรถมากับลูกๆของเขาด้วยแล้วก็เว้นว่างที่นั่งไว้ตรงนั้นพอดีทําให้เรายิ่งมั่นใจและกลัวมากขึ้นไปอีกรถขับมาเรื่อยๆจนถึงหาดทรายขาวพวกเขากับลูกๆ ก, ก็ลงรถไป จากนั้นก็เหลือแต่พวกเราสี่คนที่นั่งรถไปกันต่อระหว่างทางที่มีแต่ป่าเขาเพื่อนผู้หญิงก็เริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นมาอีกสายตาดุมากและร้องทุกครั้งที่ผ่านสารเพียงตาผมคิดเพียงแต่ว่าขอให้ผ่านตรงนี้ไปได้อีกใจหนึ่งตอนนั้นเราก็กลัวน้องเขากระโดดลงจากรถมากๆพอเรามาถึงท่าเรือเฟอร์รี่เวลาหนึ่งทุ่มเศษ ระหว่างนั้นผมนึกยังไงไม่รู้หลุดปากพูดออกมาพวกเรามากระทบหรือยังน้องเขาก็ตอบมาทันทีว่ามากันคบแล้วด้วยความสงสัยว่าลุงคนนั้นยังอยู่หรือเปล่าก็หลุดปากถามไปอีกว่ากี่คนห้าคนใจผมตอนนั้นตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วพวกเราเดินขึ้นไปยังท่าเรือได้เจอกับชายหญิงคู่หนึ่งกําลังตกปลาอยู่บริเวณนั้น ผมก็เลยถือโอกาสถามพี่ผู้หญิงเขาไปว่าเรือรอบหนึ่งทุ่มออกไปแล้วหรือยังพี่เขาก็บอกยังไม่เห็นมาน่าจะอิดสักพักแล้วแกก็ถามกลับผมว่าพาใครกลับมาด้วยนะผมอึ้งไปสักพักแล้วก็ถามแกว่าพี่เห็นเหรอเขาก็ตอบว่าเห็นจังหวะนั้นผมหันกลับไปมองเห็นเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงเริ่มมีอาการอีกแล้วตอนนี้ เธอกำลังกอดเสาที่ใช้สำหรับคล้องเรือซึ่งมีขนาดใหญ่และเป็นเหล็กเล็บมือของเธอนั้นจิกอยู่ที่เสาแล้วลากจนเล็บหักเลือดออกพร้อมกับทำตาขวางและร้องโวยวายว่าไม่ไปไม่ไปที่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วนำพระของแกเข้าไปทำอะไรบางอย่างที่เพื่อนหญิงยิงทาให้เธอนั้นมีอาการร้องไห้หนักกว่าเดิมไม่ไปกูไม่ไ เรารอจะเรือมาถึงพอคนลงจากเรือกันหมดแล้วทุกผมก็มาเพื่อนสาวพากันลากตัวเพื่อที่จะขึ้นเรือแต่ถึงแม้จะใช้คนถึงสคนก็สู้แรงผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวไม่ได้ทุลักทุเลอยู่นานจนในที่สุดก็พากันขึ้นเรือได้ครบทั้ง4ี่คนจากนั้นเพื่อนบาร์ทที่มีอาการถูกผีเข้าก็สลบไปบนเรือเราได้บังเอิญเจอกับพี่สองคนที่เราไปทัวดำน้า และเป็นคนแนะนำให้เราไปพักที่หาดทรายขาวที่เขาเดินเข้ามาทักด้วยความแปลกใจว่าทำไมพวกเราไม่ไปที่หาดทรายขาวกันต่อผมจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่เขาฟังแต่เขากลับทำหน้าเฉยผมคิดว่าพวกเราโกหกจากนั้นผมได้ขอติดรถพี่เขากับกทมด้วยและจะแวะทรงบาสลงกลางทางเมื่อมาถึงจุดหมายแม่บาสซึ่งมารออยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ก็นำสร้อยพระมาให้เพื่อที่จะไปคล้องคอให้เพื่อนของบาร์แต่ยังไม่ทันได้คล้องคอเธอก็มีอาการอีกเพื่อนบาร์ทคนนี้เริ่มร้องทำให้พี่ทั้งสองคนที่มาด้วยนั้นเริ่มจะกลัวแล้วพอการเริ่มดีขึ้นพวกเราก็ให้น้องเขาไปนั่งในรถของพวกพี่ที่มาส่งซึ่งเป็นรถยนต์นั่งแบบแฮท b a แบ็ห้าประตูในรถมีเพียงพี่ผู้หญิงแฟนพี่เขานั่งอยู่คนเดียว เืนบาร์ทที่เข้าไปนั่งนั่งอยู่ตรงกลางเบาะหลังส่วนพวกเรายืนคุยกันอยู่กับแม่บาร์ทเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นคุยเสร็จก็แยกย้ายกันไปบาร์ทกลับบ้านกับแม่ของเขาส่วนพวกเราที่เหลือกลับกับพี่เขาเพื่อจะเข้ากรุงเทพหลังจากนั่งรถมาได้ไม่นานเพียงสองสกิโลจูๆ่ๆที่ผู้หญิงซึ่งนั่งอยู่ข้างคุณเขก็บอกกับแฟนเขาให้กลับรถไปหาบาร์ท พี่ผู้ชายจึงถามว่าจะวนกลับไปทำไมเราออกมาตั้งไกลแล้วนะพี่ผู้หญิงจึงตะคอกใส่พี่ผู้ชายด้วยคำพูดที่รุนแรงทำเอาพวกเราอึ้งไปทั้งคันสุดท้ายพวกเราก็ต้องย้อนกลับไปยังบ้านของบาทซึ่งตอนนี้ก็สงทุ่มกว่ า, วาแล้วเพอถึงบ้านบาทพ่อบาทก็ไปรับหมอที่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนี้มาช่วยทาให้เพื่อนของบาทเป็นปกติ หลังจากหมอได้เอาสร้อยพระมาคล้องและพรมน้ำมนต์ใส่เพื่อนของบาสแล้วเพื่อนบาสคนนั้นหน้าตาก็เหมือนกับคนที่เพิ่งจะตื่นนอนมาหมาดมาพอทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติพวกเราและพี่ๆก็ลาพ่อแม่ของบาสเพื่อกลับเข้ากรุงเทพ อ, อีกครั้งพอขับไปได้สักระยะหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็สี่ห้าทุ่มแล้วพี่ทั้งสองและพวกเราก็จอดแวะกินข้าวต้มกัน ระหว่างกินผมรู้สึกสงสัยจึงได้ถามพี่ผู้หญิงว่าพี่ทำไมเมื่อตอนหัวค่ําที่จะให้วนรถกับพี่ดูอารมณ์ไม่ดีเลยพี่มีอะไรหรือเปล่าพี่เขาก็เลยเล่าว่าระหว่างที่พวกผมนั้นกําลังคุยกับแม่ของบาทและมีพี่เขานั่งอยู่ในรถกับเพื่อนบาทกันสองคนจู่ๆกระจกรถ ด, ด้านหลังขวามือก็ค่อยๆเลื่อนลงมาส่วนตัวเพื่อนบาทนั้น นั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้กระดิกตัวเลยแม้แต่นิดเดียวและตอนที่แยกกับบาทสแล้วเพื่อจะเข้ากรุงเทพน้องผู้หญิงคนนั้นจ้องมองมาที่พี่ตลอดเวลามองเห็นตตาขาวดุและน่ากลัวมากตอนนี้เพื่อนของบาทสก็เป็นปกติแล้วพวกเราก็เลยกลับมาถามว่าระหว่างทางที่กำลังกลับออกจากเกาะนั้นร้องอะไรเกือบจะตลอดทาง ซึ่งน้องเขาก็บอกว่าจําไม่ได้เขารู้สึกว่าเขากําลังหลับอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกเราต่างสงสัยกันว่าลุงที่พวกเราได้เจอนั้นเป็นใครมาจากไหนจนสุดท้ายพอบารสก็ให้คนไปสืบหาข้อมูลก็ได้รู้ว่าตรงที่พวกเราไปเล่นน้ำกันนั้น <S <S <S <S เคยมีคนจมน้ำตายอยู่บริเวณใต้ต้นหูกวางซึ่งผม ก็ยังคงเก็บภาพถ่ายสถานที่นั้นเอาไว้ที่นั่นมันสวยงามมากแต่พวกเราขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยก็แล้วกัน 怎审判自由。